ถามว่ากําลังพูดถึงความเศร้าหมองของไตรสารนคมถามว่าเศร้าหมองเพราะอะไรเศร้าหมองเพราะความไม่รู้ความสงสัยในพรนะธรรมตรายเป็นต้นเมื่อไม่รู้เมื่อสงสัยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนการนับถือก็ได้แม้แต่สุนัขาตาลิ์ชวีบุตรใช่ไหมเพราะ สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ในคุณของพระพุทธเจ้าทาั้งๆที่เคยบวชติดตามอุปถากเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเพรา ะ, ะนั้นพอเปลี่ยนไปแล้วยังไม่พอก็ถึงกับไปด่าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นสูตรที่เคยว่าครั้งก่อนๆให้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยพระคุณมากมายพระองค์นั้นสามารถที่จะระ ล, ลึกชาติได้นะคุณข้อที่ที่กล่าวไปก็คือพระพุทธเจ้าระ ล, ลึกชาติได้ พระพุทธเจ้ารู้สัตว์เกิดสัตว์ตายพระพุทธเจ้านี้แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแล้วก็กล่าวถึงทศพลยานยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าทั้ง10ประการและก็เวสารัทธรรธรรมสหรือเวสารัชยานยานที่ทำให้พระพุทธเจ้าแกล้วกล้ามีอยู่สอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือพระองค์ปฏิ ญ, ญาณว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเสร็จแล้วไม่มีใครกล้าไปทักท้วงพระองค์โดยธรรมว่า เออท่านยังไม่บรรุเออท่านยังไม่รู้เรื่องนี้น ะ, ะไม่มีใครไปทักท้วงพระ อ, องค์โดยสหธรรมข้อสองบอกว่าท่านปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันต์แต่อาสวะเหล่านี้ท่านยังละไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีใครไปทักท้วงพระ อ, องค์ได้หรือว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทำใดทำอันตรายอันตรายยึกกรอทำอ น, นะทำนั้นไม่สามารถจะเป็นอันตรายได้ก็ไม่มีใครกล้าไปพูดอย่างนี้โดยสหธรรมอีกแล้วก็สุดท้าย ผู้ใดกล่าวว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตามข้อ น, นี้ก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงเพราะฉะนั้นก็ทำให้พระองค์เนี่ยถึงความวกล้ากล้าทีนี้พระองค์ก็กล่าวถึงบริษัทแปดข้อความในมหาสีหนาสูตรกล่าวว่าดูก่อนสาหริบบริษัทแปดจพวกเหล่านี้8ดจพวกเป็นฉไหนคือขติยะบริษัท บริษัทคือกษัตริย์นะสพราหมณ์บริษัทก็คือพวกพราหมณ์สเครหาบดีบริษัทถามว่าครหาบดีเป็นยังไงก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละ 4. ส, สมณะบริษัทก็คือนักบวชทั้งหลาย 5. จาตุม้มมหาราชิกาบริษัทก็คือเทวดาชั้นจาตุม้ม6ดาวดึงบริษัทและก็มารบริษัทก็คือชั้นปารานิมิตวัตตะสวัสดี แล้วก็สุดท้ายพรมบริษัทดูก่อนสารีบุตรบริษัทแปดจำพวกเหล่านี้แหลดูก่อนสารีบุตรตถาคตประกอบด้วยเวสารัชธรรม4ี่ประการเหล่านี้แลย่อมเข้าไปหาย่อมอย่างลงสู่บริษัทแปดจำพวกเหล่านี้แหลดูกนสารีบุตรเราย่อมเข้าเอเราย่อมเข้าใจเข้าไปหาคติยะบริษัทหลายหลายร้อยแม้ในคติยะบริษัทนั้นเราเคยนั่งใกล้ เคยทักทายปราศัยเคยสนทนากันดูก่อนสารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจากกล้ากลายเราในขติยะบริษัทนั้นเลยคือพระองค์เนี่ยสะทกสะท้านโอ้โหเข้าไปหาโอโ้มีแต่กษัตริย์ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหใจไม่ค่อยดีเลยวิว ว, วพระองค์บอกไม่มีความรู้สึกกับนั้นเลยเมื่อไม่เห็นเหตุนี้เราก็เป็นผู้ถึงความปลอดภยัย ถึงความไม่มีภัยถึงความแก ล, ล่ากล้าอยู่คําว่าภัยเป็นชื่อของความกลัวนะเพราะว่าคําว่าภัยนี้แปลว่ากลัวหมายถึงสิ่งที่น่ากลัวหนึ่งและก็สภาพจิตที่กลัวหนึ่งนะสิ่งเหล่านั้นพระองค์บอกว่าแม้แต่กษัตริย์เหล่านั้นก็ไม่น่ากลัวจิตของพระองค์ก็ไม่รู้สึกกลัวนั่นแะหละดูก่อนสารีบุตรอันหนึ่งเราย่อมเข้าใจเข้าไปหาพรามณะบริษัทหลายๆร้อย ครหบดีบริษัทสมณบบริษัทจาตุมมหาราชิกาบริษัทดาวดึงบริษัทพรมบริษัทจำพวกละหลายหลายร้อยแม้ในบริษัทนั้นๆเราเคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปราศัยเคยสนทนากันดูก่อนสารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจักกล้ามกลายเราในบริษัทนั้นๆเลยเมื่อไม่เห็นเหตุนี้เราก็เป็นผู้ถึงความปลอดภัย ถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้แกล่ากล้าอยู่ดูก่อนสารีบุทผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราคือตําหนินะว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นยานศัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึก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 ไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกฉนั้นอริยุประวาทะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้าเราไปดูหมิ่นเหยียดยามตําหนิพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยแม้แต่จิตคิดประทุสร้ายหรือกล่าววาจาเหล่านั้นด้วยอํานาจของโทสะก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายดูก่อนสารีบุตรกัมเนศสประการเหล่านี้แหละสประการเป็นไน กำเนิดสี่นะวันก่อนเมื่อวันเสาร์ก่อนนู่นบอกโอ้จดไม่ค่อยทันในยกำเนิดสี่มีอะไรบ้างวันนะี้เอาวันนี้ก็มีสีอย่างนะหนึ่งอันตระชากำเนิดเกิดในไข่อันทะนี้แปลว่าไข่เกิดในไข่สองชลาผู้ชักกำเนิดเกิดในชลาผู้ชักก็เกิดในมดลูกในครรนนั่นเองสังเสริชักกำเนิดเกิดในอของเปียกแฉะหรือว่า เท่ใครอ่ะนะของที่มันเปียกแฉะของที่มันชื้นชื้นอ่ะแฉะแฉะนั่นแหละมันสามารถเกิดได้แล้วก็สุดท้ายโอปาปาติกะกําเนิดเกิดแล้วก็ผุดโตขึ้นเลยดูก่อนสารีบทก็อันตชะกําเนิดเป็นไนสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดชั้มแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เรียกว่าอันตชะกําเนิดเช่นพวกไก่พว ก, ก, พวกนกเป็ดห่านจระเข้ด้วยไหมจระเข้ก็อันตรชะกําเนิดนะ กระปอมด้วยอิสานเรียกกระปอมบ้านเราเรียกว่ากิ้งก่านั่นแหละก็เป็นอันดชะกําเนิดจริงจกตุกแกก็อันดชะกําเนิดเกิดในไข่ดูก่อนสารีบทชลาผู้ชักําเนิดเป็นไฉไรสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดชํ้แรกมดลูกคือชํ้แรกไส้เกิดนี้เราเรียกว่าชลาผู้ชักําเนิดเกิดในครันที่นั่งกันอยู่นี่แหละอตาต ม, มาด้วย ด้วยการสาหริบสังเสริชากําเนิร์ดเป็นฉไหนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมบูดหรือในน้ําครัมในเท่าใครของสกปรกอย่างนี้เรียกว่าสังเสริชากําเนิร์ดเกิดในที่ที่มันสกปรกทั้งหลายนั่นแหละนั่นก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งนะที่ไปเกิดตรงนั้นนะ่ะแต่ก็มีเขาบอกว่าเออสัตว์บางอย่างที่ มันเกิดในปลาเน่าอ่ะมันสามารถเกิดในปลานเน่าไงดูก่อนสาริบุตรโอปปาติกะกําเนิดเป็นฉไ น, นเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจําพวกเปรตบางจําพวกนี้เราเรียกว่าโอปปาติกะกําเนิดนั่นแหละมนุษย์ต้นกลาบก็เป็นโอปปาติกะกําเนิด พญา น, นาค ก, ก็ส่วนใหญ่บางบางตัวก็เกิดจากไข่ก็มีเพราะงูเนี่ยส่วนใหญ่ตระกูลตระกูลไข่ดูก่อนสารีบุตรผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณาโคดมไม่มีพระสมมาโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิด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 นรกฉะนั้นแหละดูกนสารีบุตรคติ5ประการเหล่านี้แหล5ประการเป็นฉะไหนคติก็หมายถึงที่ไปคติหก็คือ1นิรยะคติคติคือนรกหมายถึงขันและโอกาสสโลกคำนรกเนี่ยหมายถึงตัวสัตว์นรกด้วยแล้วก็ที่เรียกว่าโอกาสสโลกที่เป็นบรรยากาศของนรกด้วย 2. ก็กําเนิดเดรัจฉาน คติคือ1นรก2เดรัจฉาน 3. าเปรตติวิสัยคือเปรต4มนุษย์หเทวดาอย่างนี้เขาเรียกว่าคติหที่ปลายของสัตว์ทั้งหลาย5แห่งดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งสัตว์นรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกนะพระองค์รู้จักอ น, นรกเป็นยังไงข้อปฏิบัติที่ทำให้ไปนรกเป็นยังไงนรกไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปได้ง่ายนะไม่ได้ไปกันทุกคนได้นะ มันแล้วแต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นบริบูรณ์เช่นกล้าฆ่าพ่อเนี่ยนะถ้ากล้าขนาดนี้เนี่ยตกแน่นอนเลยนะกล้าฆ่าพ่อกล้าฆ่าแม่กล้าฆ่าพระ อ, อรหันต์กล้าทําสังฆเพศเนี่ยนี่แน่นอนเลยตกนรกนี่แเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้ น, นก็ปฏิปทาหรือทางที่จะยังสัตว์ให้ถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดําเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุ ก, กติวินิบาต์นรก เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยนะรู้จักนรกด้วยรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงนรกด้วยข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไม่น่าเลยนะแต่ก็อย่างว่านะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าใครปฏิบัติตามนั้นมันก็เข้าถึงความเป็นอย่างนั้นแหละดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน ทางยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดสัตว์เดรชานปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรชาณอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรชาณเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยอันแม้เดรชานก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะมันก็เป็นด้วยข้อปฏิบัติเหมือนกันมีข้อปฏิบัติบางอย่างทําให้เป็นเดรชานอย่างเช่นมิจฉาทิฐิบางอย่างถ้าปฏิบัติเรียนแบบหมาได้สมบูรณ์แบบหมด อันนี้ตาแล้วเกิดเป็นหมาแน่นอนนั่นนะเขามีนะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าบําเพ็ญกุกุรวัตเสนยะกับอ่าเสนยะอาเจโลกอ่ะเขาประพฤติตัวเรียนแบบหมาเดียวเลยเห็นปะเพาห้องห้องก่อนนะจะต้องทานอาหารยังไงมีการเลียก่อนอะไรก่อนเนี่ยเรียนแบบหาอะไรมาทําเป็นหางสังหน่อยเขาบอกว่าถ้าประพฤติดได้สมบูรณ์แบบเหมือนหมาเปี้ยเลยเนี้แน่นอนเลยเกิดเป็นหมา ถ้าหากว่ามีความเห็นทิฐิอ น, นันเนี่ยว่าผู้ปฏิบัติลักษณะนี้เนี่ยต้องนิพพานแน่นอนหรือว่าบรรลุเป็นทุยเทพผู้ที่มีความเห็นแบบนั้นเป็นทิฏฐิวิบัติไอ้ทิฏฐิอนนั้นเป็นปัจจัยให้ตกนรกนั้นพระองค์นี้ก็รู้ด้วยนะว่าปฏิปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อเกิดในเดราชานใช่ไหมอย่างกับนายโกูตฮาเิกาเนี่ย โอ้ไ oh, ปเห็นหมานายโคบานเข้าโอ้ย oh, หมาตัวนี้มันดีจังเว้ยเราเนี่ยทำมาหากินอาบเหงือ่อตางน้ำก็ยังไม่พอจะกินเลยไอหมาตัวนี้มันก็กินกินแต่ข้าวปลายาดว่ามันดีกว่าเราทั้งเยอะแยะเลยโอ oh, ดีจมะเออหมานี่มันดีจริงๆตอนหลังก็เลยคืนนั้นก็อาหารไม่ย่อยตายแล้วเกิดเป็นหมาจริงๆเลยยินดีที่จะเกิดเป็นหมาก็เลยเป็นหมาสมความปาถนา เพระองค์รู้นะว่าไอ้ปฏิปทาข้อปฏิบัติยังไงทําให้ไปเกิดเป็นกบเป็นเขียดเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นนกเป็นเนื้อเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามข้อปฏิบัติไอ้คําว่าข้อปฏิบัตินะถามว่าอยู่ไกลไหมก็อยู่ตรงปากเรานั่นแหละพูดพูดอย่างนี้นะไปนรกอ่ะพูดแบบนี้เดรัจฉานพูดลักษณะนี้มนุษย์พูดลักษณะนี้เป็นเทวดาแสดงว่าเจตนานี้ยโอ้โหเรื่องใหญ่มากนะ จเจตนาเนี่ยพระองค์จึงกล่าวเจตนาเนี่ยเป็นกรรมปัจจัยด้วยเป็นอาหารปัจจัยด้วยนั่นแหละันตัวเจตนาตัวนี้น่ากลัวถามว่าเจตนาอยู่ที่ไหนก็กำลังคิดอยู่นี่แหละนี่แหละพวกเจตนาทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติให้รู้จากหนึ่งนะถ้าหนึ่งไม่รู้จักเจตนาสองความเกิดของเจตนาสามความดับของเจตนา ไม่รู้จักว่านี้คือข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับเจตนาถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะถามว่าที่สุดเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่ามันอยู่ที่ไหนเพแต่ในชั้นต้นต้องรู้จักเรื่องของเจตนาจริงๆนั่นแหละปริญญาสามมาวิจัยเรื่องเจตนานั่นแหละถ้าทางตาเห็นมีเจตนาได้ไหมนะเจตนาแปลว่าความจงใจหรือชักชวนให้สัมปยุตธรรมหรืออารมณ์ใช่ไหม มันไม่โกรธหรอกถ้าไม่มีเจตนาฮัทเจตนาเป็นตัวกระตุ้นให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็รู้จักว่าเจตนานั้นอนะ่ะมีอะไรเป็นปัจจยัยโอ้ยมีสัมปยุตปัจจยัยหรือสหาชาติชาติเพียบเลยนั่นแหละอารมณปัจจัยของเจตนาขณะเห็นก็ต้องเป็นสีใช่ไหมเจตนาตัวนี้เนี่ยมีอะไรเป็นอุปนิสัยบางคนเนี่ยคิดเรื่องความคิดอันนั้นเกิดเพราะ ตันหาเป็นต้นเป็นอุปนิสัยให้คิดอย่างนั้นเจตนาอันนี้เนี่ยยังเป็นนาคขาคณิก ก, ก, กรรมาปัจจัยต่อไปข้างหน้าเจตนาของชาวนะดวงที่1ที่ถ้าทำนะถ้ามีโอกาสปุ๊บให้ผลในชาตินี้เลยดวงที่เจให้เป็นอุปชาเวทนียกรรมในชาติที่สองในภพที่สองและก็ดวงที่สองถึงดวงที่6เป็นอปราปริยะเวทนยกรรมมีโอกาสนะ มันให้ผลทันทีเขาบอกว่าเหตุปัจจัยพร้อมเจตนาพวกนี้ให้ผลทันทีในคำพีท่านบอกว่าต้องเหตุปัจจัยพร้อมนะเจตนาในอดีตจึงจะให้ผลได้ฉะนั้นปัจจัยที่พร้อมที่จะทําให้เจตนาให้ผลได้ก็ต้องเป็นพว ก, กาตาละคติอุปธิและประโยคะจึงจะเป็นปัจจัยให้ได้รับเจตนาเหล่านั้นจึงจะให้ผลได้เพราะฉะนั้นเราปรับทวนดูว่า เมื่อวัยต้นอย่างผมพ ว, พวกผมในวัยวทองเนี่ยไอตอนที่เป็นวัยเงินวัยอะไรตอนตอน้ตนๆเนี่ยได้ทํากุศลอะไรไว้ถ้าเป็นกุศลที่ที่ที่สมบูรณ์ที่แรงแรงเนาะจะดปว่ามารับตอน ป, ปลายนี่ใช่หไหมครับเพราะเป็นที่ธรรมเชนญพานเขาบอกว่าถ้าทําในช่วงเด็กๆจะให้ผลในวัยประมาณวัยกลางคนถ้าทําในวัยกลางคนก็จะไปให้ในปัติชิมวัย ถ้าทําใกล้ๆปชิมวัยก็อาจจะให้เกือบตายอ่ะตรงเกือบตายแถวนั้นมันอาจให้ผลได้นั่นแหะแต่ถ้าทําใกล้ตายไม่แน่นะอาจจะให้ผลไปข้างหน้าต่อไปอีกก็ถ้าทําใกล้ตายหรือกรรมที่อ่ะนะอาสนกรรมคือกรรมที่ทําใกล้ตายนั่หรือกรรมที่คิดถึงตอนใกล้ตายหนึ่งก็เรียกว่าอาสนกรรมวันนี้เพิ่งไปอ่านเจอมาไอมันแปลกดีเหมือนกันก็บอกว่าไอเรื่องที่เราคิดถึงเวลาใกล้ตายนั้นบางอย่างก็เรียกอาสนกรรมด้วย เพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่ไม่ดีนะผ้าไอเจตนาตัวนั้นมันให้ไปแล้วไปไม่ดีแล้วโทษใครก็ไม่ได้ <c oughs> คิดเอานะสิ่งเหล่าเนี้ยใช่ไหมบุญกรรมนี่มันคิดเอานะถ้าใครสามารถคิดได้ดีคนนั้นแหละเป็นเป็นคนทําบุญได้เอา <c oughs> ถ้าไม่เสียเงินเลยนะมันคิดเอาอะแต่ความคิดบางอย่างถ้าเป็นทานกุศลบางทีก็เสียเงินงนั่นไงนะ <c oughs> ถ้าศีลกุศลไม่ต้องเสียเงินฟังธรรมไม่แน่นะ อาจจะเสียเงินก็ได้ทําไมจึงว่างั้นเพราะว่าเหตุปัจจัยกว่าจะได้ฟังเนี่ยมันเรื่องเรื่องมันยาว <c oughs> นั่นแหละแต่เจริญภาวนานะถ้าศึกษาเข้าพระธรรมจนเข้าใจนะเจริญภาวนาไม่เสียสตังแม้แต่บาทเดียวนะเช่นปริญญาสามนี่ไม่เสียแม้แต่บาทเดียวเลยนั่นแหละบางทีเสียเงินแล้วอาจจะไม่ได้ปริญญาก็ได้ปริญญาสามอ่ะ น, นะนี่ต่อไปดีกว่าดูก่อนสารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางอันยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกนะก็โหปฏิปทาพวกเราเนี่ยกว่าจะได้ม า, างไงมาด้วยข้อปฏิบัตินะเช่นนั้นอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมอุบัติในหมู่มนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยมนุษย์ต้องมาด้วยผลของกุศล ใช่ไหมวันก่อนที่กล่าวถึงสับ พ, พัทธคามินีปฏิปทาญาณญานที่รู้ปฏิปทาที่ทําให้ถึงคติทั้งปวงอะ่ะว่าตือนเช้ามาเนี่ยในบ้านบ้านหนึ่งเขาใส่บาดขึ้นบางคนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนเนี่ยเกิดเป็นเทวดาทั้นพระองค์เนี่ยสา ม, มารถที่วิจัยได้เลยว่าในขณะนั้นนั้นเนี่ยถ้าคนคิดแบบนี้เนี่ยเจตนานี้ให้ผลยังไงถ้าคิดอย่างนี้ให้ผลยังไงถ้าพูดอย่างนี้ให้ผลยังไง ถ้าทำตัวลักษณะนี้เจตนาอันนี้ให้ผลยังไงพระองค์นี่วิจัยได้หมดเลยแต่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาจะรู้ได้เป็นบางส่วนนั่นแหละรู้ได้เป็นบางส่วนบอกว่าในเรื่องกรรมนั้นอะ่ะผู้ที่ศึกษาวิปัสสนาจริงๆสามารถที่จะทําวิจัยในเรื่องเจตนาและผลของเจตนาก็รู้ได้ระดับหนึ่งแต่พระพุทธเจ้ารู้ได้ทุกทุกส่วนเลยที่จะมามาพูดเปล่าๆอยู่เนี่ยมันให้ผลไปเกิดที่ไหนเนี่ยพระองค์บอกได้เลยนะนั่นแหละ ดีว่าเราต้องทำบุญให้ไปเจอพระองค์ก่อนแล้วก็ไปถามพระองค์ว่าไอ้ที่พระองค์พูดข้าพระองค์พูดวันนั้นเนี่ยให้ผลเกิดที่ไหนประเจ้า่ะก็ให้เกิดผลมาเกิดตรงนี้ไงอย่างง้นั่นแหละแล้วก็ได้ดีเลยนะว้าว เ, เองอ่ะนะไปอยากอะไรพูดเอาอ่ ะ, อะต่อไปนะดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชาติซึ่งเทวดาทั้งหลายนี่น่าสนใจหน่อยทางอันยังสัตใหถึงเทวโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตให้ถึงเทวโลก นะทางให้สัตว์ถึงเทวโลกทางอันนั้นก็คือพวกฮิเรโอตาปะเป็นต้นนั่นแหละหรือเทวโลกเนี่ยในนี้รวมถึงพรหมด้วยนะรวมถึงพรหมและอรูปประพรหมด้วยทางให้ถึงอรูปพรหมก็ต้องไปศึกษาเรื่องสมถะให้ดีก็แล้วกันอันหนึง่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยดูก่อนสารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งพนิพพานไปข้อสุดท้ายเนี่ยจำนะพระองค์ก็รู้จักทางที่เป็นไปเพื่อให้พ้นจากคติทั้งห้าด้วยพระองค์รู้ทางให้ไปสู่คติทั้งห้าและทางที่เป็นไปเพื่อพ้นคติทั้งห้าก็คือทางนิพพานนั่นเองวะทางอันยังสัตว์ให้ถึงนิพพานเราพอรู้ไหมว่าทางไหนที่ทําให้สัตว์ถึงนิพพานอเอกายโนอายังที่เขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธยา ก็คือทางมีมัสมัสมีองแปดนั่นแหละไอทางนั่นแหละจึงจะยังสูญ น, นิพานแต่ก่อนมัสมีองแปดจะเกิดขึ้นก็มีสติปัฏฐานเป็นต้นหรือปริญญาเป็นต้นนั่นแหละและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงพนิพานก็คืออริยมรรณะนหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยนะพระองค์เนี่ยรู้จักทางไปนรกทางไปเปรตทางไปเดรัจฉานทางมามนุษย์แล้วก็ทางไปสู่เทวโลกแล้วก็สุดท้ายเป็นไปเพื่อให้พ้นทางทั้งห้านะดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้พระองค์เนี่ยรู้ใจด้วยใจนะ ใช้ใจรู้ใจแต่ว่าไอ้ใจที่พระองค์รู้เป็นใจประเภทมีปัญญาประกอบนั่นแหละใจชนิดนั้นก็คือใจประเภทอภิญญาจิตใจประเภทจุตูปปาตยานนี่เรียกว่าใช้ใจประเภทนั้นนะมารู้ใจของสัตว์ทั้งหลายกําหนดใจด้วยใจว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตจกจัดเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกทวานแห่งกรรมก็คือกายวาจาและใจนั่นแหละนพูดยังไงจะไปนรกได้พูดยังไงจึงไปสวรรค์เป็นต้นหรือว่าเอคิดยังไงจึงจะตกนรกใช่ไหมคิดยังไงจึงจะไปสวรรค์ทำยังไงจึงจะไปนรกทำยังไงจึงจะไปสวรรค์อาคนไม่ทาได้ไหมะ บอกว่าฉันจะไม่ทำอะไรสักอย่างเลยทำได้ไห ม, ไมไแม้แต่นั่งนิ่งๆิ่งก็เป็นกายกรรมนะทำทำเ อ, อนั่งเนี่ยนี่ก็กายกรรมนะนั่งอ่ะ